วิธีสมมุดติจีวราวิปละวาดภิกษุผู้เป็นไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตรสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่ปัญษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำตรายจีวรไปได้กระผมขอให้สงฆ์สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ประจักษ์ไตรจีวรพิงกล่าวขออย่างนี้เป็นครั้งที่สอง พึงกล่าวขออย่างนี้เป็นครั้งที่สามพิษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาวา่า47 474ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิกษุชื่อนี้เป็นไข่ไม่สามารถนำไตรจีวรนไปได้เธอขอให้สงสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ประจักไตรจีวรนถ้าสงพร้อมกัน แล้วเพื่อให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุเชยนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุเชยนี้เป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้เธอขอให้สงสมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรสงให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุเชอนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สมมุติ เพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงการสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นชอบเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้